พระมหาศัตว์ได้สดับคำของกุมาริกาสาวนั้นแล้วทรงได้เหตุสนับสนุนเมื่อจะตรัสกับพระเทวีจึงตรัสว่าแน่ศีวลีเธอได้ยินคาถาที่นางกุมาริกากล่าวแล้วหรือนางกุมาริกาเป็นเพียงชั้นสาวใช้มาติเตียนเราความที่เราทั้งสองประพฤติคืออาตมาเป็นบรรพชิตเธอเป็นสตรีเดินตามกันมา ย่อมเป็นเหตุแห่งคระหาแนนางผู้เจริญมักคาสองแพร่งนี้อันเราทั้งสองผู้เดินทางจงแยกกันไปเธอจงถือเอาทางหนึ่งไปอาตมาก็จะถือเอาทางอื่นอีกทางหนึ่งไปเธออย่าเรียกอัตมาว่าเป็นพระสวามีของเธอและอาตมาก็จะไม่เรียกเธอว่าเป็นมเหสีของอาตมาอีก บรรดาคาเหล่านั้นคําว่านางกุมาริกากุมาริยาได้แก่ที่นางกุมาริกากล่าวแล้วคําว่าเป็นเพียงชั้นสาวใช้เปสิยาความว่าถ้าเรายังครองราชสมบัติอยู่กุมาริกาคนนี้ก็เป็นคนใช้คือทำตามรับสั่งของเราแม้แต่จะแลดูเราเธอก็ไม่อาจ แต่บัดนี้เธอติเตียนคือกล่าวสอนเราเหมือนคนใช้และเหมือนทาตของตนว่านั้นเป็นผลของกําไรอันที่สองดังนี้คําว่าเดินตามกันมาอนุจินโนได้แก่เดินตามกันไปคําว่าผู้เดินทางปะถาวิหิได้แก่ผู้เดินทางไปคําว่าหนึ่งเอกังความว่า เธอจงถือเอาทางหนึ่งซึ่งเป็นที่ชอบใจของเธอส่วนอาตมาก็จะถือเอาอีกทางหนึ่งที่เหลือลงจากที่เธอถือเอาคำว่าเธออย่าเรียกอาตมามาจะมังตะวังความว่าแนศะิวลีตั้งแต่นี้ไปเธออย่าเรียกอาตมาว่าเป็นพระสวามีของเราอีกและอาตมาก็จะไม่เรียกเธอว่าเป็นมเหสีของเรา พระนางศีวลีเทวีได้ทรงฟังพระดำรัสของพระมหาสัตว์แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พระองค์เป็นกษัตริย์สูงสุดจงถือเอาทางเบื้องขวาส่วนข้าพระองค์เป็นสตรีชาติต่ํจาจักถือเอาทางเบื้องซ้ายกราบทูลชนีแล้วถวายบังคมพระมหาสัตว์แล้วเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งไม่สามารถจะกลั่นโศกาดูนไว้ได้ก็เสด็จมาอีก โดยเสด็จไปกับพระราชาเข้าถูณนณครด้วยกันพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสครึ่งคาถาว่าเมื่อกษัตริย์ทั้งสองกำลังตรัสข้อความนี้อยู่ได้เสด็จเข้าไปยังถูณนณครบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าได้เสด็จเข้าไปยังถูณาณคอนนครมุ ป, ปาคมุงความว่า ได้เสด็จเข้าไปแล้วสุนครก็แลครั้อนเสด็จเข้าไปแล้วพระมหาสัตว์เสด็จเที่ยวบินธบาทเสด็จถึงประตูเรือนของช่างสอนแม้พระนางศรีวลีเทวีก็เสด็จตามไปเบื้องหลังประทับอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งสมัยนั้นช่างสอนกาลังลนลูกศรบนกระเบื้องฐานเพลิงเอาน้ํำข้าวทาลูกศรหลับตาข้างหนึ่ง เล็งดูด้วยตาข้างหนึ่งดัดลูกศรให้ตรงพระมหาสัตว์ท้พระเนตรเห็นดังนั้นมีพระดำริว่าถ้าช่างสอนผู้นี้จักเป็นคนฉลาดจะกล่าวเหตุอย่างหนึ่งแก่เราเราจะถามเขาดูจึงเสด็จเข้าไปหาช่างสอนแล้วตรัสถามพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าเมื่อใกล้เวลาฉัน พระมหาสัตว์ประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูเรือนของช่างสอนช่างสอนนั้นหลับตาข้างหนึ่งใช้ตาอีกข้างหนึ่งเล็งลูกศร อ, อันหนึ่งซึ่งคดอยู่ดัดให้ตรงที่ซุ้มประตูนั้นบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าที่ซุ้มประตูโกฏธธเกความว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาพระองค์นั้นเมื่อใกล้เวลาเสวยของพระองค์ ได้ประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูของช่างสอนคำว่าที่ซุ้มประตูนั้นตตระจะได้แก่ใกล้ซุ้มประตูนั้นคำว่าหลับตานิใครหะได้แก่หลับตาแล้วคำว่าใช้ตาอีกข้างหนึ่งซึ่งคดชิมหะเมเกนะความว่าใช้จักสุข้างหนึ่งเล็งดูลูกสอนที่คด ลำดับนั้นพระมหาสัตว์ได้ตรัสกช่างสอนนั้นว่าแน่ช่างสอนท่านจงฟังอาตมาท่านหลับจักษุข้างหนึ่งเล็งดูลูกสอนอันคดด้วยจักษุข้างหนึ่งด้วยประการใดท่านเห็นความสำเร็จประโยชน์ด้วยประการนั้นหรือหนอคำที่เป็นคาถานั้นมีเนื้อความว่าแน่เพื่อนช่างสอน ท่านหลับตาข้างหนึ่งเล็งดูลูกศรที่คดด้วยตาข้างหนึ่งด้วยประการใดท่านเห็นความสําเร็จประโยชน์ด้วยประการนั้นหรือหนอลําดับนั้นเมื่อช่างสอนจะทูลแก่พระมหาสัตว์นั้นจึงกล่าวว่าข้าแต่พระสมณะการเล็งด้วยจักษุทั้งสองปรากฏว่าเหมือนพลาดไปไม่ถึงที่คดข้างหน้าย่อมไม่สําเร็จความดัดให้ตรง ถ้หลับจักสุข้างหนึ่งเล็งดูที่คดด้วยจักสุอีกข้างหนึ่งเล็งได้ถึงที่คดเบื้องหน้าย่อมสำเร็จความดัดให้ตรงบุคคลสองคนก็วิวาทกันคนเดียวจักวิวาทกับใครเล่าท่านผู้ใคร่ต่อสวรรค์จงชอบความเป็นผู้อยู่คนเดียวเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเหมือนพลาดไปวิสาลังวิยะความว่า ย่อมปรากฏเหมือนกระจายออกข้อว่าไม่ถึงที่คดข้างหน้าอัปตะวาปะระมังลิงคังได้แก่ไม่ถึงที่เบี้ยวข้างหน้าคำว่าไม่ความดัดให้ตรงนุชุพาวายะได้แก่ไม่ตรงมีคำอธิบายว่าเมื่อความพราปรากฏก็จกไม่ถึงที่ตรงข้างหน้าเมื่อไม่ถึงคือไม่ปรากฏ คิดด้วยความตรงจกไม่สําเร็จคือไม่ถึงพร้อมคำว่าเล็งได้ถึงสัมปตวาความว่าถึงคือเห็นด้วยจักสุคําว่ า, ว, ว, าวิวาทกันวิวาทปัตโตความว่าเมื่อลืมตาที่สองที่คดย่อมไม่ปรากฏคือแม้ที่คดก็ปรากฏว่าตรงแม้ที่ตรงก็ปรากฏว่าคด ความวิวาดย่อมมีด้วยประการชนี้ันใดแม้สมณะมีสองรูปก็ชันนั้นย่อมวิวาทกันคือทะเลาะกันถือเอาต่างๆกันคำว่าคนเดียวกับใครเกเนโกได้แก่คนเดียวจักวิวาทกับใครเล่าคำว่าจงชอบความเป็นผู้อยู่คนเดียวเถิดเอก ต, ตมุปรโรจตังความว่า ท่านจงชอบใจความเป็นผู้อยู่คนเดียวธรรมดาสมณะทั้งหลายย่อมจะไม่พาแม่น้องสาวเที่ยวไปเลยแต่เหตุไรท่านจึงพาภริยาซึ่งทรงรูปอันอุดมเที่ยวไปภริยานี้จะทาอันตรายแก่ท่านท่านจงนำภริยานี้ออกไปอยู่ผู้เดียวเท่านั้นบำเพ็ญสมณะธรรมให้สมควรเถิดช่างสอนกล่าวสอนพระมหาสัตว์ด้วยประการชนิษ ช่างสอนถวายโอวาดแด่พระมหาสัตว์อย่างนี้แล้วก็นิ่งอยู่พระมหาสัตว์เสด็จเที่ยวบินทบาดได้พัดตาหารที่เจือปนแล้วเสด็จออกจากพระนครประทับนั่งเสวยในที่มีน้ำสมบูรณ์พระองค์เสร็จเสวยพระกรยาหารแล้วบ้วนพระโอษฐล้างบาทนาเข้าถุงแล้วตรัสเรียกพระนางศีวลีมาตรัสว่าเน่นางศีวลี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 เธออย่าเรียกอาตมาว่าเป็นพระสวามีของเธอและอาตมาก็จะไม่เรียกเธอว่าเป็นมเหสีของอาตมาอีกบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าได้ยินสุนสิความว่าเธอฟังคาถาก็พระมหาสัตรตร์ตรัสรดำรสว่าเปสิโยมังนี้ทรงหมายถึงโอวาทของช่างสอนนั่นเอง